คุณเจ้าก็เตรียมสังคติด้วยเราจะขอเข้ามาถามว่าหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะอย่างที่ทำไว้เมื่อวันที่สิบสามนะแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วแต่ญาติโยมนะที่สนใจแล้วก็จากนั้นก็จะเคลื่อนศรีละหลวงพ่อไปที่วัดภูกระทองเพราะว่าหลวงพ่อได้สั่งเอาไว้ว่าพิธีการงานศพทั้งหมดนะจะจัดที่นั่น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 อยอมรับความจริงแล้วก็ปฏิบัติต่อสิริละของท่านนะให้ให้สมควรแต่หลวงพ่อท่านก็ย้ําไว้นะสั่งเสียไว้ตั้งนานมาแล้วนะว่าในงานศพของท่านต้องให้จัดแบบไม่ฟุ่มเฟือยนะเสมอกับว่าท่านเป็นพระที่ยากจนนะไม่ฟุ่มเฟือยถ้าหลวงพ่อท่าน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 แนะไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนนะจะเป็นคนที่เราบเขารบเขารบคารวะผูกพันเพียงใดนะก็ต้องเจ็บต้องป่วยทั้งสิน้นะแต่ในราเดียวกันท่านก็แสดงให้เห็นว่าความเจ็บป่วยนั้นเนี่ยป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยก็ได้นะเพราะว่าใจได้พร้อมนะที่จะรับความตาย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 นะให้เราได้อ่านไ ด, ได้ได้ศึกษาได้พิจารณาอย่างเช่นเมื่อเมื่อเมื่อเดือนเมษานะเมื่อเดือนเมษาเนี่ยก็คือสมเดือนก่อนหน้านี้ท่านก็บอกว่าขอสังลาทุกทุกท่านธาตุขังธาตุขันคงอยู่อีกได้ไม่นานแต่ความเป็นไกลนามิรยังอยู่ตลอดไปนะเราก็สงสารว่าไกลนามิที่สำคัญแค่ไหนสารการ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 แล้ถ้าเขียนต่อไปว่าเวลานี้อยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนมีทำนําพาไม่มีวันตายเราเห็นประสบการณ์ตั้งแต่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงขอให้เราจงพากันปฏิบัติไปจะได้พบเหตุการณ์ดับไม่เหลือของนมามบรูป49่ิบเกาปีที่ผ่านมาคือวันนี้นะรู้สึกตัวรู้สึกตัวดี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 คิดว่าหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนศลีระท่านไปท่ามาไฟนะแล้วก็จะมีพิธีสงศลีละท่านนะตามที่ท่านตามที่กําหนดไว้เดิมประมาณสี่โมงเย็นนะส่วนเรื่องการปรงศลีระของท่านก็คิดว่าประมาณ1ิบสิบวันหลังจากนี้ก็คือราวๆที่สองอันนี้เป็นกําหนดการเดิมนะยังไม่แน่นอนแล้วก็จะยืนยันกันนะหลังจากนั้นอีกทีก็คงราวๆวันนี้ก็คงจะกําหนดออกมาได้ แล้วก็เตรียมรับพร